อธิษฐานเจ็บแทนลูกในคืนวันที่20สิงหาคมพศส5 5 1อ่อนกำลังนั่งสมาธิอยู่ก็นิมิตเห็นผู้ชายคนหนึ่งเข็นรถเข็นคนไข้ที่มีอนุวัตใส่ชุดขาวนั่งอยู่ผ่านหน้าอ่อนไปใจอ่อนเป็นห่วงลูกทันทีคิดว่าอนุวัตคงได้รับอุบัติเหตุกำลังจะเข้าโรงพยาบาลอ่อนจึงบอกชายคนนั้นไปว่าอย่าทาลูกเราเลย ทำเราแทนเถอะหากเจ้าทำเขาเจ็บเขาทุกข์ก็จะเป็นกรรมกับเจ้าด้วยเรายอมทำอะไรเราก็ได้แต่อย่าทำลูกเราเลยพออ่อนพูดจบชายคนนั้นก็ปล่อยมือจากรถเข็นรถเข็นหันกลับมาทางอ่อนเหมือนเขาเข็นรถคืนมาให้มีอนุวัฒนั่งยิ้มอยู่บนรถไม่ได้นั่งหน้าอมทุกข์เหมือนตอนแรกคํำขอของอ่อนได้ผลอ่อนขอไถ่โทษของอนุวัฒน์มาเป็นของอ่อนได้ ในวันที่29สิงหาคมอ่อนทำความสะอาดแคร่ของอ่อนเสร็จแล้วก็เดินจงกรมในทางจงกรมตรงหน้าแคร่ที่อ่อนอยู่ประจำแล้วอ่อนได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนแคร่นั้นพอเห็นเช่นนั้นอ่อนก็พิจารณาว่ามันไม่ค่อยจะเป็นมงคลสักเท่าไหร่เพราะไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนเข้ามาในเขตผู้หญิงในยามค่ำคืนเช่นนี้ซ้ํายังมันนั่งอยู่บนแคร่เช่ด้วยอ่อนจึงแผ่เมตตาให้เขา และเดินจงกรมต่อชายคนนั้นก็หายไปอ่อนออกจากทางเดินจงกรมแล้วรู้สึกไม่สบายใจใจคิดถึงแต่เรื่องอนุวัตพยายามโทรศัพท์ติดต่อกับเขาอยู่ตลอดด้วยความเป็นห่วงแต่ไม่ได้บอกอะไรเขาเก็บไว้ในใจของเราคนเดียวภาวนาไปเรื่อยแผ่กุศลไปให้เขาโดยตลอดบ่ายสามโมงของวันที่30สิสิงหาคม ขณะที่อ่อนกําลังกวาดใบไม้ตามปกติของการทําวัดปฏิบัติด้วยการทําความสะอาดพร้อมกันทั้งวัดเสียงไม้กวาดกวาดพื้นดังได้ยินกันทั่วทั้งเขตพระและคารวาสอ่อนเห็นลวดหนามสองเส้นตกอยู่ข้างแคร่ของอ่อนจึงหยิบเพื่อจะแขวนกลับไปที่เสรารั้วลวดหนามทันทีที่จับลวดก็มีความรู้สึกเหมือนมีใครจับมือแล้วเหวี่ยงมืออ่อนขึ้นไปเต็มแรงโดนลวดหนามเสียบดังจึก ลดหนาเกี่ยวเข้ากับเส้นเลือดหลังมือเลือดพุ่งกระฉูดไหลไม่หยุดเปื้อนเต็มมืออ่อนไปหมดทําให้หัวนึกถึงชายที่เข็นรถของอนุวัต์เขาเป็นคนเดียว ก, กันกับชายที่มานั่งบนแคร่ของอ่อนมันเป็นไปได้อย่างไรอ่อนยังใจชื้นที่เหตุเกิดขึ้นที่วัดหลวงตายังมีเทพเทวดาคุ้มภัยให้เอาพอแค่เจ็บเลือดตกยางออกเท่านั้นผ่อนโทษให้อนุวัตรได้หากเหตุเกิดขึ้นที่อื่นอ่ อ, อนคงแย่แน่ ทำให้อ่อนเห็นผลของกรรมว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วยอมให้ผลโดยไม่มีลำเอียงสิ่งที่อ่อนดีใจที่สุดคือการได้มีโอกาสชักชวนอนุวัตให้เข้าวัดและพบกับหลวงตาลูกคนนี้มีความทราบซึ้งในธรรมะเป็นชีวิตจิตใจถือศีลอุโบสถทุกวันพระและยังชวนพี่สาวของเพื่อนเข้าวัดรักษาศีลด้วยกันเป็นประจาและที่สาคัญ อนุวัตรยังบอกกับอ่อนว่าแม่ครับตอนปิดเทอมผมจะบวชให้แม่ครับฟังแล้วอ่อนตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกนึกเห็นภาพของลูกห่ผมผ้าเหลืองบวชให้แม่ในอุโบสถวัดโพธิสมภร์แล้วมาจําวัดที่วัดป่าบ้านตาดแม่จะได้คอยใส่บาตรและเป็นยบอุปถากอ่อนจะรอคอยวันนั้นอ่อนบอกให้อนุวัต์บวชให้แม่แท้ๆของเขาด้วยเป็นการทดแทนบุญคุณให้ผู้บังเกิดกล้าวได้บุญอย่างเต็มที่ ไม่รู้ว่าอ่อนคิดไปเองหรือเปล่าเมื่อมาตรองดูถึงการที่อ่อนได้พบและได้ร่วมบุญกันกันกบอนุวัฒน่าจะต้องเป็นเรื่องถูกกําหนดไว้แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญการที่คุณหลวงได้แนะนําเขาให้มาพบกับอ่อนโดยมีหลวงตาเป็นหลักธรรมผ่านกันมาเป็นทอดๆจากการที่อ่อนได้พบกับอาจารย์วิรัญญาและอาจารย์เจีย๊ยบผู้เป็นพี่สาวของอาจารย์วิรัญญารวมทั้งคณะศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มาช่วยกันสเก็ตภาพของวัดป่าบ้านตาดทุกมุมเพื่อทำหนังสือเรื่องวัดป่าบ้านตาดมรดกธรรมของโลกของคุณหลวงในปีพุทธศักราช2552และได้พบกับอนุวัตอ่อนเชื่อและมั่นใจว่าเป็นกรรมต่อกันมาก่อนไม่ใช่กรรมชั่วเป็นกรรมดีดีใจจริงๆที่ความฝันของอ่อนเป็นความจริง อ่อนมีความเคารพและยอมถวายทั้งชีวิตให้หลวงตาอ่อนเคยฝันว่าจะมีชีวิตอยู่ไม่ยืนยาวอ่อนไม่กลัวความตายขอแต่เพียงว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ขอทำงานถวายพ่อแม่ครูอาจารย์จนวาระสุดท้ายของชีวิตหลวงตาท่านมีอายุมากขึ้นทุกวันท่านชรามากแล้วแต่ความเมตตาของท่านกลับยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไม่มีประมาณและไม่มีทิฏ่าจะหยุดลง ท่านยังคงออกจากวัดเพื่อไปเมตตาตามโรงพยาบาลและวัดต่างๆเป็นประจำทุกวันทั้งๆที่ท่านก็เดินไม่สะดวกเหมือนเดิมแล้วด้วยกล้ามเนื้อที่อ่อนเปลี้ยลงจากการที่ท่านต้องนั่งนานในแต่ละวันนับแต่เริ่มเข้ามาอยู่ใต้ร่มกาสาวะพักเมื่ออายุ20ปีจนบัดนี้ท่านอายุจะเข้า96ปีอีกไม่กี่เดือนนี้ หลวงตาท่านนี้เคยย่อท้อต่อการผ่อนคลายความทุกข์ของโลกของผู้คนทั้งหลายแม้กระทั่งสัตว์ทั้งหลายที่กําลังจะถูกฆ่าท่านก็ต่อชีวิตให้ให้มีอายุยืนยาวจนสิ้นอายุไขของพวกเขาในวันคล้ายวันเกิดของท่านเมื่อวันที่12สิงหาคม2551ที่วัดป่าบ้านตาดัดเลี้งแน่นไปด้วยฝูงวัวควายจํานวนนับเป็นพันตัวที่ผู้ใจบุญไปถ่ายชีวิตออกมาจากโรงฆ่าสัตว์และนํานนใส่รถมุ่งมาถวายหลวงตาที่วัด คันแล้วคันเล่าวัวควายเหล่านี้โชคดีรอดจากความตายทั้งคนทั้งพระที่วัดต้องทำงานกันทั้งวันทั้งคืนคณะสัตวแพทย์ต้องเข้ามาฉีดยาป้องกันโรคมีคนเข้ามาดูแลให้อาหารและยากันทั้งวันทั้งคืนประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันในความเมตตาของท่านที่ให้แก่โลกไม่มีหยุดยั้งให้ด้ยวยความเมตตาที่ไม่มีประมาณ วันนี้อ่อนสงสารลงตาท่านลุกขึ้นจากที่นั่งด้วยตนเองไม่ไหวเพราะกล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ยต้องพยุงท่านขึ้นจากอาสนะที่ท่านนั่งอยู่เป็นชั่วโมงทุกเช้าสังขารท่านร่วงโรยไปมากแล้วท่านพูดอยู่บ่อยๆว่าเราจะไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่เป็นห่วงลูกศิษย์อ่อนได้ยินทีไรเป็นต้องร้องไห้ทุกทีพวกเรารักท่านพร้อมจะถวายชีวิตให้กับพระผู้บริสุทธิ์พระอระหรันต ท่านให้ความเมตตากับทุกคนรีบ ม, มากันเถอะมากราบท่านสักครั้งในชีวิตชาวต่างประเทศเขายัางข้ามน้ำข้ามทะเลมากราบท่านกันเลยพวกเขารู้ว่าองค์หลวงตาเป็นพระอรหันต์และพวกเราซึ่งอยู่ในประเทศไทยเล่ามาเถอะมาชําระใจฟังธรรมของท่านสักครั้งจะเป็นบุญติดตัวไปทุกรบทุกชาติเลย